ส่งมาจากทางบ้านค่ะโดยใช้ชื่อ Facebook ว่าปรัดยานะคะส่งเข้ามาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมานานแล้วประมาณ30ปีซึ่งปัจจุบันนี้ก็อายุ41ปีแล้วล่ะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถือว่าครอบครัวของคุณติ๊กคุณติ๊กนี่คือผู้ที่เล่าเรื่องนี้นะฮะมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชุมพรเพียงแต่ว่าย้ายภูมิลาเนาตัวเองมาทาการค้าขายอยู่ที่จังหวัดอุตรดิต์นะคะ ครอบครัวก็มีอยู่ด้วยกัน5คนมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวแล้วก็คุณติ๊กเนี่ยเป็นคนสุดท้องแน่นอนว่าการย้ายที่อยู่ก็ต้องหาบ้านเช่ากันก่อนแล้วก็ได้บ้านเช่าค่ะซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำน่านเป็นบ้านไม้เก่า แต่ว่าขอบอกเลยว่าบรรยากาศตอนตอนเช้าเนี่ยสวยงามมากเพราะวา่าสุดชานระเบียงหลังบ้านตรงนั้นเนี่ยมันจะติดกันกันกบแม่น้ำนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำน่านแล้วก็พระอาทิตย์จะขึ้นทางนั้นพอดีด้วย บ้านเก่าๆจะผุจะพังนิดหน่อยพื้นระเบียงมีตะไคร่จับสีเขียวขึ้นก็เพราะว่าชั้นหลังบ้านเนี่ยมันโลง่งไม่มีหลังคามันก็เลยทำให้เวลาที่ฝนตกน้ำก็อาจจะมาท่วมขังอยู่ตรงนี้พอน้ำแห้งลงไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตะไคร่น้ำนั่นเองเนะคะแต่คุณปิ๊กบอกว่าบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะมีตะไคร่หรือว่าอาจจะผุพังไปบ้างนิดหน่อยก็พออยู่ได้นะคะเรื่องของ บ้านหลังนี้เนี่ยคือจะบอกว่ามันจะมีห้องโถงซึ่งเป็นบ้านที่เก่ามากแล้วก็ทำจากกระดานทั้งหลังเลยแล้วก็มีรอยแตกเพียบเลยละค่ะเวลานอนก็จะนอนรวมกันในห้องนี้ทั้งหมดยกเว้นพี่ชายเพราะว่าพี่ชายนี่ออกไปค้างบ้านเพื่อนอยู่ประจำเลยขึ้นเกิดเรื่องคุณติ๊กบอกว่าเรารู้แค่ว่าพระจันทร์คืนนี้เต็มดวงสวยมาก แต่ไม่รู้ว่าเป็นวันพระขึ้น15บหาคำ่ำเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะอายุเพียงแค่10ขวบเองก็นอนกับพี่สาวล้วค่ะคนละมุมฝาห้องที่ติดกับระเบียงหลังบ้านพ่อกับแม่ก็จะนอนทางฝั่งที่ตะวันออกซึ่งเป็นประตูนหน้าบ้านคืนนั้นหลับกันหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะดึกมากพอสมควรแล้วนะคะคุณติ๊กบอกแต่ว่าตอนนั้นนี่ยังนอนแบบ อยู่ดีๆก็คือตื่นขึ้นมาละค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงน่ากลัวของไม้กระดานที่ระเบียงบ้านเนี่ยมันลั่นดังเอียดๆ เ, เลยนะคะแล้วที่บ้านมันก็จะโยกไหวคือมันมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินขึ้นมาประมาณนี้คือถ้าไม่เดินเนี่ยบ้านหรือว่าไม้เหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีเสียงเสียดสีกันแล้วใครเป็นคนเดินขึ้นมาล่ะในใจก็คิดว่าเป็นพี่ชายนะคะก็เลยยังคงนอนลืมตาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียง แต่สักครู่หนึ่งค่ะก็มีกลิ่นคาวแล้วก็คละคลุ้งลอยมาตลอดเวลาแต่จำได้เลยว่ามันเป็นกลิ่นแบบไหนเนียคะถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยจะยังคงเป็นเด็กอยู่คือมันจะเป็นกลิ่นแบบขี้โคลนกลิ่นขี้เลนโคลนในแม่น้ำนี่แหละนะคะซึ่งพอเราไปเล่นน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็เลยจำกลิ่นแบบนี้ได้ในใจก็คิดว่าขโมยมันต้องเป็นขโมยแน่ๆแต่แล้วก็มีเสียงคารามนะคะเป็นเสียงคลางแบบ อย่างเงี้ยคือเหมือนคนกรนในเคราะห์ในคอค่ะก็คือด้วยความสงสัยก็เลยทำให้คุณติ๊กเนี่ยขยับตัวเบาแล้วก็เงียบที่สุด แทบกลั้นหายใจไปด้วยซ้ำแอบมองลอดไม้กระดานฝาบ้านนะคะซึ่งคืนนั้นค่ะมันเป็นคืนเดือนงายสิ่งที่เห็นมันชัดเจนมากคือเป็นผู้ชายใสก่กางเกงยีนขาสั้นเสื้อไม่ใส่เนื้อตัวมีแต่ขี้โคลนเดินตัวตรงมาทางประตูหลังบ้านค่ะแล้วก็หยุดเดินคือเหมือนพยายามจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณตีก็เลยรีบเขย่าตัวพี่สาวให้ตื่นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ละไอ้ไอ้คนคนนี้เนี่ย มันขึ้นมาบนบ้านแค่ไม้ฝากระดานกั้นระหว่างเราแค่นั้นเองนะคะพี่สาวก็งัวงเงียค่ะคุณติ๊กก็รีบกระซิบทันทีบอกผีพรายขึ้นบ้านแล้วพี่พี่สาวก็จ้องหน้าในความมืดสลัวแต่คุณติ๊กก็บอกว่าฟังมึงฟังเสียงสิได้ยินไหมพี่สาวหายง่วงเลยคุณผู้ฟังแอบมองลอดไม้กระดานดูไม่รอช้าค่ะพี่สาวนี่ก็แหกปากตะโกนเรียกพ่อกับแม่ทันทีไฟในบ้านเปิดสว่างทุกดวงขึ้นพ่อกับแม่ถามว่าเป็นอะไร เป็นอะไรเป็นอะไรกันด้วยความตกใจนะคะคุณติ๊กก็เลยบอกว่าผีพรายขึ้นมาหลังบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่เชื่อนะคะพร้อมกับบนใหญ่เลยและค่ะแต่พ่อกับแม่เองแกก็ออกไปดูนะคะก้าวแรกที่พ่อเหยียบก็คือโคลนค่ะพ่องงมากส่วนแม่บอกนี่ไงรอยเท้ายังใหม่ๆอยู่เลยแม่ก็เลยชะโ ง, งกดูที่เสาเรือนแปลกมากคุณผู้ฟังไม่มีรอยคนปีนขึ้นมาเลยค่ะแต่ว่ารอยเท้าคนมาเดินย่าอยู่ที่พื้นระเบียงบ้านได้อย่างไร ตามสไตล์ของผู้นําอย่างพ่อเนาะผีเผอที่ไหนเลีวไหลทั้งเพก็พูดประมาณนี้แหละนะคะอาจจะพูดเพราะไม่ให้ลูกหรือว่าไม่ให้เมียกลัวแต่ว่าคุณแม่เองก็เงียบและคุณแม่ก็เงยหน้ามองยกมือไหว้พยันเป็นพยันทวเทวสุวรรณค่ะแผ่นเก่าคร่ำคร่าที่ติดไว้ที่ประตูหลังบ้านระหว่างชานชานบ้านกับตัวบ้านเนี่ยคือจะมองเห็นเป็นยันแผ่นนี้ติดมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่แล้วแหละนะคะคงมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ เจ้าของบ้านบอกว่าอย่ากแกะออกเอาไว้คุ้มครองคือตอนที่ยายเข้ามาเจ้าของบ้านก็พูดแบบนั้นที่เรารู้ว่าเป็นผีพรายก็เพราะว่าเราไปดูเขางมศพผู้ชายคนนี้กับพี่สาวมาเองกับตาเลยเมื่อสองวันที่แล้วคนเดียวกันเป๊ะเลยนะคะคือเขาจมน้ําตายก่อนจะมาขึ้นบ้านเราได้2เดือนผีแน่นอน เชื่อด้วยว่าเป็นพรายแน่นอนและอยากจะบอกว่าเจอกับตัวเองและพี่สาวซึ่งมีพยานในการเห็นด้วยผีพรายนี่มีดวงตาแดงกล่ําค่ะมองแทบไม่เห็นตาดํากันเลยเรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละค่ะคุณบีขอบคุณที่ให้โอกาสได้เล่าเรื่องนี้เพราะไม่เคยเล่าให้ใครฟังขอบพระคุณนะคะคุณปรัชญานหากว่าอ่านชื่อ Facebook ผิดก็ขออภัยมณฑที่นี้ด้วยที่อุตส่าห์ส่งเรื่องนี้เข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันนะคะ ผมรู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเมษาหาระบาดนี่แหละสมัยก่อนนั้นเมื่อถึงเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงที่เกิดอิวาตกรโกรคระบาดรุนแรงทุกปีเลยภาษาทางการขณะนั้นก็เรียกนะคะว่าไข้ป่วงใหญ่แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าโรคหาค่ะส่วนคนที่เป็นโรคนี้ก็เรียกกันว่าหากิน ประกอบกับคนในยุคนั้นก็ยังกินยังใช้น้ำในแม่น้ำคลองแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงไปในน้ำเหมือนเป็นถังขยะเลยทีเดียวรวมทั้งศพคนที่เป็นอหฮิวาและที่สำคัญก็คือขณะนั้นยังไม่มีใครนะคะทราบสาเหตุของการเกิดโรคแล้วก็การรักษา อหิวาก็เลยระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็คร่าชีวิตของผู้คนไปปีละมากๆเลยนะคะจนถึงวันนี้ค่ะอหิวาก็ยังคงเป็นโรคที่พบได้ในฤดูร้อนทุกปีแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงนะคะว่าอหิวาเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นประถมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เกิดขึ้นทุกปีตลอดมาค่ะรุนแรงมากน้อยต่างกันไปในแต่ละปี แต่ว่ามีการบันทึกไว้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช 2,363 และพุทธศักราช 2,392 ได้เกิดอหิวาตกรโรคระบาดรุนแรงที่สุดมีคนตายถึงคราวละ 30,000-40,000 คนซึ่งก็นับว่ามหาศาลเมื่อเทียบกับจำนวนพลเมืองที่มีอยู่ไม่กี่ล้านคนในขณะนั้นนะคะในปี 2,363 ค่ะอหิวาเกิดขึ้นโดยระบาดมาจากอินเดีย ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีวิธีรักษาแล้วก็วิธีป้องกันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่า น, นภาลัยรัชกาลที่สองจึงทรงใช้วิธีให้กำลังใจโปรดให้ตั้งพิธีขับไล่โรคนี้ขึ้นซึ่งเรียกกันว่าพิธีอาพาธพินาศโดยจัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนอัญเชิญพระแก้วมรกตแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุออกแห่ มีพระราชาคณะโปรยน้ําพระพุทธมนต์ตลอดทางทรงทําบุญเลี้ยงพระโปรดให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์แล้วก็ประกาศนะคะว่าไม่ให้ประชาชนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่กันแต่ในบ้านกรณนั้นก็ยังมีคนตายเพราะว่าอหิวาประมาณส 0,000 ื่นคนศพก็กองกันอยู่ตามวัดเป็นภูเขาเลากาค่ะเพราะว่าฝังแล้วก็เผาไม่ทันบ้างก็แอบเอาศพทิ้งลงไปในแม่น้ําลำคลองในเวลากลางคืนก็เลยมีศพลอยเกลื่อนกันไปหมด ประชาชนต่างอพยพหนีออกจากตัวเมืองด้วยความกลัวพระสงฆ์ก็ทิ้งวัดงานราชการแล้วก็ธุรกิจทั้งหลายก็ต้องหยุดชะงักผู้คนที่ไม่หนีไปก็เพราะมีภาระในการดูแลคนป่วยแล้วก็จัดการศพของญาติมิตรคนที่เป็นอาหิวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักโทษเป็นทาสแล้วก็สามัญชนทั่วไปที่ไม่ค่อยจะมีความระมัดระวังในการกินอยู่ส่วนคนที่มีฐานะดีหน่อยก็จะมีอัตราการเสียชีวิตโรคนี้น้อยกว่านะคะ สำหรับในพระบรมมหาราชวังและก็บรรดาพระบรมสารุวองนั้นได้มีการจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดมาก่อนแล้วโดยใช้น้ำจากต้นน้ำเพชรบุรีที่เป็นน้ำบริสุทธิ์จากป่าเขาซึ่งน้ำนี้นะคะก็จะมีการไหลผ่านกรวดทรายตักใส่โอค์ลำเลียงมาทางเรือ อหิวานี่เวียนมาทุกฤดูแล้งในเดือนเมษายนค่ะแต่ว่าพอถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักได้ชำระล้างสิ่งสกรปรกทั้งหลายในแม่น้ำลำคลองให้ไหลลงสู่ทะเลอหิวาก็จะหายไปเองในทันทีที่เข้าฤดูฝนนะคะ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2,392 ค่ะอฮิวาก็ได้ระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นที่ปีนังก่อนแล้วก็แพร่ระบาดมาถึงกรุงเทพซึ่งเรียกกันนะค่ะว่าหาลงปีรากาในระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนแรกที่เริ่มระบาดมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 15,000 คนถึง 20,000 คนแล้วก็ตลอดฤดูเนี่ยตายเยอะที่สุดค่ะถึง 40,000 คน เจ้าฟ้ามงกุฏก็คือรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นดำรงเพศบรรพชิตเป็นพระราชาคณะทรงบัญชาให้วัด3ามวัดคือวัดสะเกดวัดบางลำพูวัดตีนเลนเป็นสถานที่สำหรับเผาศพนะคะมีศพนำมาเผาสูงสุดถึงวันละ696สบศพแต่กระนั้นค่ะวัดที่จะเผาศพเนี่ยก็เผาไม่ทันก็ถูกกองสุมกันอยู่ตามวัดนั่นแหละโดยเฉพาะวัดสะเกดนะคะซึ่งมีศพ ส่งไปไว้ที่นั่นิมากที่สุดเลยทําให้มีฝูงแรง้งฝูงกาเนี่ยลงไปถึงกินซากศพจนเต็มลานวัดบนต้นไม้บนกําแพงแล้วก็หลังาคากุติก็เต็มไปด้วยแรงค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคอยถือไม้ไล่ก็ไม่อาจจะกั้นฝูงแรง้งที่จ้องเข้ารุมถึงซากศพอย่างหิ้วโหยแล้วก็จิกกินซากศพจนเห็นกระดูกขาวโพลนพฤติกรรมของแร้งวัดสาเกตที่น่าสยดสยองจึงเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่ว โรคค่ายังคงมาเยือนที่เมืองไทยในทุกปีในปีพุทธศักราช2411แล้วก็ปีพุทธศักราช2416นะคะมีคนตายในช่วงวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมเป็นจำนวน 6,000 กว่าคนซึ่งน้อยลงมาก แต่ว่าในปี2423ค่ะคุณผู้ฟังในรัชกาลที่5ซึ่งคนไทยนี่พอจะมีความรู้เรื่องการป้องกันแล้วก็จอ่ากำจัดอะฮีวาบ้างกลับมีคนตายเป็นเรือนหมื่นเลยนะคะ ในสมัยรัชกาลที่5นั้นกรมสุขาภิบาลก็ได้มีการจัดพิมพ์ใบปลิวออกแจกจ่ายประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับอหิวาเป็นครั้งแรกแนะนําว่าไม่ให้เอาของโสโครกหรือเสื้อผ้าของคนป่วยทิ้งลงไปในแม่น้ําลําคลองอย่า ก, กินอาหารที่บูดเสียเสาะท้องหรือรสจัดให้กินแต่น้ําต้มหรืออาหารที่ไม่มีแมงวันตอมส่วนการรักษานั้นถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบายท้องมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อให้กินยาแก้ท้องเฟ้อประเภทการะบูล หรือน้ถ้าถึงขั้นอาเจียนถ่ายทองมากก็มียาสำหรับอหฮีวาผลิตออกมาแล้วของห้างโอสถสภาสลากบอกว่ายาแก้อะฮีวาตะกโรคส่วนห้างบีกรีมของฝรั่งก็มีออกมาเช่นกันเรียกว่ายาขวดแตกจนกระทั่งปี2457ได้มีการผลิตน้ำประปาขึ้นในกรุงเทพอหฮีวาจึงบรรเทาเบา บ, บางลงมากแต่ก็มีมาแบบไม่ขาดหายไปะนะคะ แม้ในทุกวันนี้ก็ยังมีอหฮีวาเกิดขึ้นเป็นประจำในทุกช่วงเดือนเมษายนแต่ความรู้และสุขาพิบาลในสมัยนี้ทำให้อหฮีวาไม่สามารถระบาดคร่าชีวิตผู้คนได้มากมายอย่างในสมัยก่อนส่วนในคำว่าแร้งวัดสะเกตที่โด่งดังในตอนนั้นก็มีอีกคำหนึ่งที่ถูกกล่าวขานค่ะแต่เป็นความหมายตรงกันข้ามกลับเป็นเรื่องสนุกสนานก็คือคาว่าไก่งวงวัดสเกต มีเรื่องเล่ากันแน่ค่ะว่ามีชายคนหนึ่งนี่เกิดพิเรนจับแรงตัวหนึ่งใส่กระสอบแล้วแบกไปที่บ้านฝรั่งตอนก่อนถึงคริสต์มาสสีวันค่ะแล้วก็บอกว่ามีไก่งวงมาขายในราคาถูกเป็นไก่งวงที่เลี้ยงไว้ในทุ่งจึงเปรี้ยวมากต้องใส่กระสอบไว้ฝรั่งชะโงกหน้าลงมาดูชายคนนั้นก็เผยเปาปากถุงให้เห็นหัวแดงตัวใหญ่เท่าไก่งวงเนี่ยดิ้นขลุกคลักคลุ ก, ค ล, กคลักอยู่ในกระสอบก็เลยรับซื้อไว้ในราคา4บาทค่ะ รุ่งขึ้นฝรั่งสั่งให้พ่อครัวเอาไก่งวงนี่ออกมายืดเส้นยืดสายก่อนที่จะตายในกระสอบแต่พ่อเปิดกระสอบปล่อยออกมาแร้งก็วิ่งอ้าวแล้วก็บินหนีไปเรื่องนี้ก็เลยเล่าเป็นที่สนุกสนานไปทั่วทำให้คำว่าไก่งวงวัดสะเกตเป็นคำฮิตของบางกอกในสมัยนั้นไปด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการแบกแพกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ชอบโดยสารค่ะรถ โดยสารสาธารณะหนึ่งในนั้นที่บีจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของรถไฟมีอยู่เรื่องนึงค่ะที่บีขออนุญาตนำมาจากเว็บไซต์พันทิปนะคะซึ่งถูกโพสต์ขึ้นโดยใช้ชื่อว่ารถด่วนขบวนที่174นะคะจากสมาชิกหมายเลข3928237นะคะ เรื่องของเจอความสยดสยองบนขบวนรถไฟค่ะสายกรุงเทพสุงไหงโกลกเสียงรถไฟปุ้นๆฉึกฉักฉึกฉั ก, กนี่ก็เริ่มดังกระหึ่มขึ้นนะคะเมื่อเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงในยามบ่ายคล้อยผู้โดยสารก็มีมากมายค่ะตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่ไปยันลูกเล็กเด็กแดงล้วนแอร์อัดแน่นขนาดจนเต็มโบกี้ และเจ้าของเรื่องบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะตีตัวนั่งมาตั้งแต่สมาอาสถานีต้นทางแต่เมื่อเห็นผู้เฒ่าผู้แก่หิ้วเด็กพร้อมกับของพะรุงพรังขึ้นมายืนตัวผมผู้อยู่ในชุดกะลาสีทหารเรือก็เลือกที่จะเชื้อเชิญให้ผู้ที่อ่อนแอกว่ามานั่งแทนที่เฉกเช่นทหารทั่วไปที่พึงกระทา สำหรับหลายคนแล้วทั้งชีวิตอาจจะปฏิเสธการขึ้นรถไฟชั้น3โดยสิ้นเชิงแต่ว่าสำหรับคนที่รายได้น้อยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้วรถไฟชั้น3คือการเดินทางที่ประหยัดและก็ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับพวกเขาตัวผมเองก็เช่นกันนอกจากความประหยัดแล้วผมก็มีเหตุผลส่วนตัวที่ชอบรถไฟชั้น3เพราะว่าเป็นคนเมารถซึ่งรถไฟเนี่ยช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะเลยทีเดียว ผมชื่นชอบความสุขจากทัศนียภาพแบบสัมผัสได้อีกทั้งจากการยื่นหัวไปสู่อากาศได้ทุกจังหวัดที่รถไฟวิ่งผ่านไปมากกว่าการซุกตัวนั่งอยู่นิ่งๆบนรถทัวร์แล้วก็หยิบถุงมาใส่อ้วกตัวเองให้เป็นที่รังเกียจแก่นคนรอบข้างที่ร่วมเดินทางรถไฟเคลื่อนตัวช้าๆผ่านแต่ละสถานีต้นทางสองข้างทางล้วนเต็มไปด้วยต้นกระถินแล้วก็มะขามเทศ ที่ยื่นกิ่งก้านเข้ามาใกล้หน้าต่างรถไฟมากพอที่จะเอื้อมมือไปเด็ดยอดกระถินมาเคี้ยวกินแก้เบื่อได้พ ล, งพลางๆผมยืนเกาะตรงช่องบันไดของโบกี้เพราะว่าได้สละเก้าอี้ให้คนแก่ที่ขึ้นมายืนไป การยืนสำหรับผมนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาเพราะการฝึกทั้งวันอันหนักหน่วงซ้ายขวาซ้ายแบกปืนปอลลโย88ฟันเฉียงจนชินก็เลยทำให้ขาและก็แขนค่อนข้างแข็งแรงและการได้ออกไปทำงานนอกด้วยการเหวี่ยงเครื่องตัดหญ้าหรือมีดพระตัดพงหญ้าถางพงกวาดใบไม้ในสนามกอล์ฟทอรรก็ยิ่งทำให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนี่คงเป็นการฝึกทหารอันแยบยน เผื่อเวลาไปรบในสนามจริงเกิดกระสุนหมดเราจะได้ความมีดพระที่เหวี่ยงย่าไปรบแบบยุคบงังราจันได้อย่างคล่องแคล่วทีนี้เมื่อรถไฟผ่านไปทางที่จังหวัดราชบุรีโบกี้ก็เริ่มว่างเพราะว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางระยะสั้นผมก็เลยเดินกลับเข้าไปในโบกี้สอดสายสายตาก็พบที่ว่างตรงกลางโบกี้พอดีมีคนนั่งอยู่3มคนผมเข้าไปถามขอนั่งได้ไหมเขาก็เลยบอกเชิญเลยทหาร ผมส่งยิ้มก่อนจะเหวี่ยงกระเป๋าขึ้นไปยัดไว้บนชั้นวางของผมนั่งพิงเอนหลังหลับตารถก็โคลงเคลงคลึกคลักในบางครั้งจนร่างสั่นสะเทือนในบางทีเมื่อรถไฟไปจอดตามสถานีต่างๆบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะพากันเฮโลขึ้นมาเดินร้องเป่าประกาศขายสินค้าตามแต่ละท้องถิ่นนั้น อย่างที่จังหวัดราชบุรีก็จะมีพวกมะขามเทศเพชบุรีก็จะมีขนมมอ้อแกงสุราษฎร์ธานีก็จะมีไข่เค็มชายยาเป็นตัวชูโรงแต่ว่าข้าวเหนียวไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือว่าข้าวต้มน้ำดื่มเนี่ยเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารสากลที่มีขายแทบทุกสถานีไปทีนี้พอรถเคลื่อนผ่านสถานีชะอำฟ้ามันก็มืดค่ำละ เริ่มมองที่จะไม่เห็นดวงดาวมันเหมือนท้องฟ้าครึ้มๆจากเมฆฝนที่เริ่มก่อตัวจนบางครั้งก็มีละอองฝนโปรยลงมาในขณะที่ขบวนรถที่ยาวเหยียดนั้นวิ่งห่อฝ่าความมืดแล้วก็ป่ารกข้างทางเสียงดังฉึกฉักฉึกฉักกล้องกลางวานไปทั่วตอนนี้โบกี้ที่ผมนั่งอยู่คนหายไปเกือบหมดเหลือคนนั่งห่างๆกันจนสามารถนอนเหยียดเท้าไปอีกที่นั่งได้สบายนานๆครั้งจะมีตำรวจรถไฟเดินมาตรวจตรา ผมเริ่มง่วงแล้วก็เพลียก็เลยเอนกายเหยียดเท้าข้ามไปที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งผมหลับตาอย่างสบายใจบางครั้งก็ปรือตาขึ้นมามองบ้างทุกๆคนที่เหลืออยู่ในโบกี้ก็ล้วนพากันหลับหมดมีเพียงบางคนที่ตื่นขึ้นมากินของกินเสียงดังอยู่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงบนรถไฟในยามค่ำคืนนี่มันเป็นความเงียบที่ตั้งอยู่บนเสียงคลื่นเครงของอาการสั่นจากขบวนรถไฟซึ่งก็จะมีเพียงเท่านั้น อากาศเริ่มมืดก็เริ่มหนาวเริ่มกอดตัวเองแล้วก็หลับไปตื่นไปอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่ารถไฟมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ผมชะโ ง, งอกออกไปมองหาป้ายสถานีก็พบว่ารถไฟได้วิ่งมาถึงประจวบแล้วมีผู้โดยสารบางคนเดินขึ้นแล้วก็ลงจากขบวนเสียงใสๆของใครคนใดคนหนึ่งดังมาจากด้านหลังผมพี่คะขอนั่งด้วยได้ไหมคะ ผมหันกลับไปมองก็เป็นผู้หญิงหน้าตาหมยุยมุยผิวขาวผมสั้นเลยติ่งหูมาเล็กน้อยร่างกายแต่งด้วยชุดลุกฟูกฟูฟ้องสีขาวกระโปรงกรอมไปถึงเท้าเธอมานั่งลงตรงข้ามผมติดหน้าต่างแล้วก็เอากระเป๋าที่น่าจะเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนกับเป็นกระเป๋าถักวางข้างๆตัวกลิ่นน้ําหอมของเธอเนี่ยจําได้เลยว่าฟุ้งไปหมด ผมก็เลยได้คิดได้ใจว่าเออหอมดีจังแต่ว่าไม่กล้าพูดออกไปได้แต่เพียงอ่ารอบมองหน้าสวยๆของเธอที่มองออกไปทางหน้าต่างเธอก็เริ่มชวนคุยถามว่าผมเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนจะไปไหนและเธอก็แนะนำตัวเองว่าเธอเนี่ยชื่อมลิกำลังเดินทางไปทุงสงสาเหตุที่เลือกมานั่งกับผม ทั้งที่อื่นมันว่างเธอก็บอกว่าเพราะว่าเธอเนี่ยกลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเนื่องจากเห็นว่าในโบกี้เนี่ยมีบรรดาขี้เมาแล้วก็ผู้ที่หน้าตาไม่ค่อยน่าไว้วางใจนั่งกันอยู่หลายคนผมชี้ตัวเองถามเธอแล้วหน้าแบบดูว่าน่าไว้ใจหรออะไรประมาณนี้หน้าผมก็พอๆกับพวกเขาเช่นกันเธอก็เลยฉี้ยิ้มจนเห็นฟันเรียงสวยเป็นระเบียบแล้วก็บอกว่าก็เพราะว่าเห็นใส่ชุดทหารเรือก็เลย จะมาขอนั่งด้วยเพราะว่าอย่างน้อยพี่เองก็เป็นทหารทหารนี่ก็ต้องพร้อมรับใช้แล้วก็พร้อมปกป้องประชาชนถูกต้องไหมอันนี้ก็จะเป็นความคิดของเธอเองนะคะเมื่อเจ้าของเรื่องนะคะได้ยินดังนั้นละค่ะก็ได้แต่ยิ้มตอบไม่ได้ว่าอะไรนะคะบทสนทนาของเราสองคนก็เป็นกันไปอย่างถูกคอพูดจบแล้วก็พยายามหาเรื่องอื่นมาคุยต่อเพราะว่าชอบในความสวยแล้วก็พูดจาที่น่ารักเป็นกันเองไม่ถือตัว โอกาสที่จะได้สนทนากับสาวสวยแบบตัวต่อตัวคือมันไม่ได้หาง่ายสําหรับตัวของเจ้าของเรื่องมากนัก น, นะคะทั้งขบวนก็เลยดูคล้ายกับจะมีแค่เจ้าของเรื่องแล้วก็ผู้หญิงที่เดินขึ้นมา2คนไกลาๆเพราะว่ามีแต่เสียงของเธอกับของเขานะะที่คุยกันงิมเงิงตลอดทางจนเธออาการเริ่มง่วงค่ะแล้วก็นั่งกอดหน้าอกตัวเองเอาศีรษะพิงกับมุมผนังโบกี้เพื่อที่จะหลับ เหมือนเธอจะหนาวด้วยละ่ะก็เลยยื่นเสื้อคลุมที่มีอยู่ตัวเดียวไปให้พร้อมกับบอกให้เธอเนี่ยห่มแก้หนาวซะเธอก็ขอบคุณแล้วก็รับเสื้อไปก็นั่งมองเธอหลับค่ะบางจังหวะเธอก็ปรือตา ม, มามองแล้วก็ยิ้มปนเขินก็เลยถามว่าจะนั่งแลอะไรนักหนานี่เขินผมเองก็เขินพอถูกเธอทักผมก็เลยทาทีเป็นหลับบ้างแล้วก็หลับไปจริงๆ มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเมื่อรถก็เริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีชุมพรนะคะก็ปรือตาขึ้นมาก็เห็นมะลิหลับมองผ่านมะลิไปด้านหลังตรงที่นั่งติดห้องน้ำจากเดิมที่มันว่างเพราะว่าเป็นจุดที่คนไม่ค่อยนั่งเนื่องจากเหม็นกลิ่นในห้องน้ำตอนนี้มีร่างใครบางคนผมยาวกระเซิรกระเซิงแต่งตัวมอมแมมไม่ต่างจากขอทานเลยนะคือนั่งตัวตรงมองมาทางเจ้าของเรื่องนี้แหละ คือมองไม่เห็นดวงตาของเขาเพราะว่าผมมันปิดหน้าแต่ว่าจากรูปร่างเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายเพราะเห็นเป็นมัดกล้ามที่มีรอยสักโผลออกมาจากเสื้อแขนสั้นตัวนั้นก็แปลกใจว่าโผล่มานั่งตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ไม่ไว้ใจในตัวเขาคนนั้นเท่าไหร่นากันนะคะด้วยเหมือนกับจ้องมองมาทางเจ้าของเรื่องหรือบางทีก็อาจจะกําลังจ้องดูมลิ ทีนี้เมื่อเห็นว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่กล้าหลับสนิทและสิคาก็ทําตัวเป็นยามเฝ้าสาวละค่ะก็นั่งหลับตาถึงแม้ว่าจะหลับตาก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ยังปลือตาคอยมองดูชายคนนั้นอยู่ตลอดเขาก็ยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงแม้ว่ารถไฟจะโครงเคลงโครงเคล ง, คล ง, คลงจนรู้สึกขนลุกเลยเนยค ะ, ะก็เลยหันไปมองผู้โดยสารคนอื่นอา้าวทุกคนอยู่กันครบแต่ว่าพากันหลับไปหมดแล้วมีเพียงแค่ตัวของเจ้าของเรื่องที่นั่งมองชายข้างๆห้องน้ําเนี่ย แล้วเขาก็มองมาทางเจ้าของเรื่องคนนี้เช่นกันเสียงบูดรถไฟดังมาเป็นระยะค่ะสลับกับเสียงขลึกขลักของล้อรถไฟจนเผลอหลับไปแล้วก็สะดุ้งตื่นอีกทีหนึ่งก็หันไปมองที่ตรงที่นั่งติดห้องน้ำเนี่ยนะคะแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือหายไปแล้วตกใจค่ะเอ๊หายไปไหนก็เลยลุกขึ้นจะเง้อมองหาแต่ก็ไม่พบผู้ชายคนนั้นมลิรู้สึกตัวก็เลยถามว่ามีอะไรหรอพี่ทหาร เขาก็เลยชี้ไปที่ที่นั่งติดห้องน้ำแล้วก็บอกว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่จะหลับเนี่ยเห็นว่ามีผู้ชายผมยาวรุงรังแต่งตัวซอมซ้อนั่งมองมาทางเราตลอดเลยนะแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วมะริก็เลยหันไปมองเธอก็เลยบอกว่าผู้โดยสารทั่วไปหรือเปล่าเขาอาจจะย้ายโบกี้ตอนพี่หลับไปนะ่ะก็เลยลุกเดินไปดูที่โบกี้ติดกันก็ไม่เจอผู้ชายคนที่ว่าก็เลยเดินกลับมานั่งที่โบกี้ตัวเอง พอกลับมานั่งที่ของตัวเองแล้วมารีก็เลยถามนะคะก็เลยบอกไปบอกว่าไม่เจอก็ไม่รู้ว่าใช่คนหรือเปล่ามานั่งตอนไหนก็ไม่รู้มารีบอกไม่มีอะไรหรอกพี่วิตกไปเอง พอตื่นมาหน่นี้ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟมันถึงแถวไหนแล้วเพราะว่าข้างนอกคือมันมืดแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ข้างทางใหญ่น้อยเต็มไปหมดเห็นเมลี่ตื่นอยู่ก็เลยชวนเธอคุยสเพเหระใจจริงก็อยากจะขอเบอร์โทรด้วยแหละแต่ว่าไม่กล้าอีกทั้งก็มีแฟนแล้วก็ได้แต่ชวนคุยพอคุยไปเผลอชี้ไม้ชี้มือกันก็ชวนดูอะไรนอกหน้าต่างไปเรื่อยเปื่อยนะคะ พอหันกลับมาผ่านหูมะลิไปทีนี้สะดุ้งเลยเพราะว่าผู้ชายคนที่ตามหาเนี่ยเขากลับมานั่งที่เดิมแล้วนะแล้วก็มองมาทางตัวเจ้าของเรื่องนี้เช่นเคยขนลุกเลยแหละหทีนี้เพราะว่าร่างที่นั่งอยู่นั้นเนี่ยเขานั่งนิ่งแล้วก็ทื่อมากจริงๆมะลิมองหน้าแล้วก็ถามว่าพี่เป็นอะไรก็เลยบอกเขาเบาๆพลางให้ชี้ให้ดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็มองมาทางเราเหมือนกันมะลิหันไปมองช้าๆค่ะ ก่อนจะหันมาตีหน้างงใส่แล้วบอกไหนอะ่ะไม่เห็นมีใครเลยพี่ก็ยังคงยืนยันกับมาลีเสียงแข่งเนียคะบอกว่ามีเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยังนั่งมองมาทางเราอยู่เลยมาลีหันไปมองอีกครั้งแล้วก็ยังยืนยันว่าเธอไม่เห็นใครตรงนั้นเลยนะแต่ว่าสายตาของเจ้าของเรื่องก็ยังคงยืนยันแล้วคะ่ะว่าเขานั่งอยู่มาลีบอกให้เดินไปดูใกลๆ้ๆกลัวไม่เอาอะ่ะปฏิเสธไม่ยอมไป จริงๆเขาบอกว่าผมเคยเจอเรื่องลี้ลับพวกนี้มามากแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีผีสางตนใดกล้ามาหลอกกันบนรถไฟกลางคนที่นอนกันอยู่มากแบบนี้มาริเองคงเห็นในความกระวนกระวายขลาดกลัวของเขาเขาก็เลยเสนอสลับที่นั่งกันนะคะจนเจ้าของเรื่องบอกว่าไม่เป็นไรหลอกได้ก็หลอกไปไม่มาใกล้ก็พอมาริก็เลยบอกหลับเถอะพี่ไม่ต้องไปกลัวหรอกคนเยอะแยะก็เลยพยักหน้าแล้วก็ปล่อยหลับไปอีกครั้ง รู้สึกตัวอีกทีหนึง่งลืมตาตื่นอา้าวเมลิไม่อยู่แล้วเธอคงลงจากรถไปในระหว่างที่หลับอยู่ท้องฟ้าด้านนอกก็เริ่มสว่างนี่รถไฟวิ่งผ่านทุ่งสงมาไกลแล้วรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้ร่ำลากับเมลิแต่เสื้อของเขาเนี่ยถูกกองไว้ตรงจุดที่เมลินั่งก็ได้แต่ยิ้มคนเดียวละค่ะมองไปตรงที่นั่งข้างห้องน้ําก็ไม่มีผู้ชายตนนั้นอีกแล้วก็รู้สึกโล่งใจผู้โดยสารบางส่วนก็เริ่มตื่นงัวงเงียมานั่งพูดคุยกันเจาะแจ๊จอแจ เมื่อรถไฟมาถึงสถานีพัทลุงในยามเช้าผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากด้านหลังผ่านด้านข้างไปตกใจเขาหันมายิ้มให้ก่อนจะบอกว่าร้านเบาถึงบ้านแล้วไปทำบุญให้อีสาวเมื่อคืนมั่งนะน้าเห็นมึงนั่งคุยกับซากศพเน่าเฟะทั้งคืนพอมึงหลับนะ้าเห็นมันลอยพรวดออกไปทางหน้าต่างรถไฟก่อนถึงทุ่งสงนั้นนี่นะก็นั่งลิงมาทั้งคืนเลยกลัวมันจะทาอะไรมึงจะได้ช่วยทันคุณผู้ฟังคะ ผู้ชายผมยาวแต่งตัวซอมซ่อคนนั้นเขาก็เดินลงจากรถไฟไปปล่อยให้เจ้าของเรื่องเนี่ยนั่งอึง้งนั่งงงอยู่เพียงคนเดียวจนสิ้นสุดการเดินทางด้วยรถไฟชั้น3ขบวนที่174ที่จําได้ไม่ลืมค่ะผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าห้องน้ําก็คือคนที่เดินมาบอกเมื่อสักครูน่นี้ว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยนั่งอยู่กับผีส่วนผู้หญิงที่ชื่อมาริที่นั่งอยู่กับเค้าทั้งคืน คนนั้นเนี่ยคือผีตัวจริงนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประซาวันนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวนะคะอย่าลืมที่จะส่งเข้ามาให้บีได้นํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านได้รับฟังกันทาง Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ